เมตตาเท้าสักกะครั้งหนึ่งฟันของหลวงตาโยกท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้ฝันไปว่าเท้าสักกะเทวราชมาขอฟันท่านบอกว่าฟันของท่านถ้าอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วจะยุ่งจะขอเอาไปไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงให้เทวดาได้กราบไหว้ท่านก็ลงใจให้เขาไป พอตื่นเช้าขึ้นมาฟันที่โยกซี่นั้นได้หายไปจริงๆคุณประชาพรมนอกซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของท่านนั่งอยู่ด้วยก็คิดในใจว่าไม่ใช่มันุลุดลงท้องไปหรอท่านหันมาใส่คุณประชาทันทีถ้ามันร่วงลงท้องเราก็รู้สิคุณประชาตกใจและแปลกใจที่เราคิดอยู่ในใจแล้วท่านรู้ได้อย่างไรแสดงว่าฟันนั้นได้ให้เท้าสักกะเทวราชไปจริงๆ งานบุญใหญ่ที่วัดป่าบ้านตาดที่มาของงานบุญประทายค้าบเหลือกมีอยู่ว่าชาวนาเอาข้าวเหลือกส่วนหนึ่งมาถวายท่านอีกส่วนหนึ่งนำไปหวานเพาะต้นกล้าเพื่อที่จะปลูกขอให้ท่านทำน้ามนต์ท่านก็เมตตาทำน้ามนต์ให้และพรมข้าวเหลือกที่จะเอาไปหวานเมื่อชาวนาเอาไปหวานกันก็ปรากฏว่าต้นกล้าจเจริญงอกงามดี ไม่มีมแมลงมารบ ก, กวนชาวนาเกิดความศรัทธาจึงนํเข้าวเปลือกมาถวายกันทุกปีทุกปีมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาพอถึงวันงานบุญเมื่อชาวนาเอาเข้าวเปลือกมาถวายท่านก็จะเอาเข้าโรงสีสีออกมาเป็นข้าวสารเพื่อไว้แจกจ่ายให้ตามโรงพยาบาลและคนยากจนที่เดือดร้อนส่วนพิธีการคือในตอนเช้าท่านทาน้ำมนต์โดยในระหว่างนั้น พระจะทมพิธีสวดจากนั้นก็นําน้ำมนต์ไปปากพรมเขอบเหลือกในงานนี้จะมีผู้มาทําโรงทานกันมากมายและมีผู้คนมากันมากด้วยผมเองก็ได้ร่วมเปิดโรงทานด้วยงานใหญ่อีกงานคืองานสามแดนโลกธาตุท่านยึดอวันที่โยมแม่ท่านเสียชีวิตซึ่งท่านนําอัฐิของโยมแม่ไปไว้ที่ต้นโพถือว่าเป็นศูนย์กลางของวัด ท่านทำบุญอุทิศวนกุศลให้โยมแม่ของท่านในวันนั้นท่านได้เล่าให้ฟังว่าที่เรียกงานวันนั้นว่างานสามแดนโลกธาตุมีความหมายว่าเมื่อทําการอุทิศบุญให้แล้วพวกที่ควรจะรับบุญก็จะมาคอยรับโดยญาติที่มาในงานนั้นหรือญาติที่อยู่ที่ใดก็แล้วแต่อุทิศบุญให้พวกที่รู้ก็รีบมากันอย่างตื่นเต้นดีใจพวกเขาจะชื่นใจที่ได้รับกุศล น, นั้นแต่มีบางพวก ที่ไม่มีญาติอุทิศบุญให้ก็จะพากันกลับไปด้วยความสลดใจเป็นเหตุให้ท่านเกิดความเมตตาสงสารจุดนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดการจัดงานสามแดนโลกธาตุเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายจะรับบุญกุศลนั้นท่วนหน้ากันจุดมุ่งหมายของท่านคือให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วให้ระลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เมตตาธรรมไม่มีประมาณสิ่งที่หลวงตาทมทั้งหมดท่านไม่ได้ทำเพื่อองค์ท่านเองถ้าคิดให้ดีข้าวของเงินทองทั้งหลายที่เรานาไปถวายท่านท่านไม่ได้รับไว้เพื่อตัวท่านเองแต่เราตัางหากที่เป็นผู้ได้รับและยังกระจายออกไปสู่มวลชนด้วยสิ่งทั้งหลายที่ท่านได้รับบริจาคมาท่านจะเมตตาให้แก่สัตว์โลกที่มีความเดือดร้อน เช่นนักโทษในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์คนไข้ตามโรงพยาบาลประชาชนในประเทศลาวเป็นต้นปัจจุบันนี้ปีพศ .2551 หลวงตาอายุ95ปีสังขารชราภาพมากแล้วแต่ท่านก็ยังมีความเป็นอยู่อย่างมัธยัติในห้องนอนของท่านมีผ้าปูอยู่หนึ่งผืนหมอนขอนหนึ่งใบกาน้ำหนึ่งใบ จบและกระโถนอย่างละหนึ่งใบมีอยู่แค่นี้เท่านั้นแต่ท่านพูดเสมอว่าท่านมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านมีมากมายมหาศาลฉะนั้นผมจึงประทับใจในความมัธยัติความไม่เห็นแก่ตัวและความเมตตาต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยของท่านตอนนั้นผมอยู่ที่สวนแสงธรรมท่านนอนให้คนนวดผมเป็นคนปัดยุงให้ท่านปรากฏว่ามีมาแมลงบินเข้าหูท่าน ท่านก็ให้พระเอาน้ำมากรอกหูท่านแล้วเอียงหูให้แมลงออกมามันยังไม่ตายท่านบอกเขียขึ้นมาเขียขึ้นมาชีวิตเท่าๆกันคือมันมีชีวิตมีจิตใจมีความต้องการเหมือนเราทุกอย่างแต่คุณธรรมเท่านั้นที่มีต่างกันเหตุการณ์คืนนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าความเมตตาของท่านนั้นมหาศาลจริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมเห็นว่าท่านมีความเมตตาอย่างนี้มาเสมอไม่เคยเปลี่ยนเวลาท่านดุท่านไม่ได้ดุด้วยความเกลียดความโกรธแต่ท่านดุกิเลสและความทะเยอทะยานของเราและคำสอนของท่านจะกินใจรับฟังและนาไปใช้ได้เลยใช้ได้ตรงๆมีอยู่คืนหนึ่งผมได้ขึ้นไปไล่ยุงให้ท่านซึ่งคืนนั้นท่านเรียกผมอย่างไพเราะเลย ท่านเรียกผมว่าคุณชาญรงค์แล้วพูดต่อพรุ่งนี้เช้าไปนับรถที่จอดอยู่ในสวนแสงธรรมว่ามีกี่คันผมก็รับปากท่านพอรุ่งเชา้าผมได้ไปนับรถตามที่ท่านสั่งนับได้หนึ่งร้อยเก้าสคันพอตอนเย็นท่านลงมาจากศาลาถามว่านับได้กี่คันละ่ะผมตอบท่าน191่ร้อ้คันครับท่านบอกเอ๊ะ ไม่ใช่192้คันเหรอผมก็แย้งท่านไม่ใช่ครับและหยิบกระดาษที่จดจำนวนรถที่นับให้ท่านดูท่านเห็นก็เฉยไม่พูดอะไรต่อรุ่งึ้นปรากฏว่าลอตเตอรี่ออกเลข192สองแม้หลวงตาท่านบอกว่ามีรถทั้งหมด192คันก็จริงแต่ในใจผมก็นึกหมิ่นว่าท่านรู้ได้อย่างไรผมเป็นคนนับท่านไม่ได้เป็นนับสักหน่อย จึงได้คิดว่าท่านเมตตาผมซึ่งช่วงนั้นผมกำลังยากจนมากแต่บุญของผมก็ยังไม่มีเห็นจะต้องเลิกรอะหลวงตารู้แล้ว ผมมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งมีฐานะดีมีความสุขอยู่กับกิเลสตันหาเหมือนคนอื่นๆทั่วไปที่อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและสุดท้ายหลงเอ่ยด้วยเรื่องผู้หญิงลึกซึ้งถึงขนาดได้สาวเจ้ามาเชยชมสมใจค่วงไปไหนไปไหนตอนไหนด้วยความลำพองว่าข้าแน่ยังมีกำลังวังชาพอที่จะมีกิกได้เป็นที่อิจฉาของเพื่อนวัยเดียวกันที่ไม่อาจเทียบฝีมือและวิทยายุทธได้วันหนึ่ง เพื่อนผู้สูงวัยคนนี้มีความจำเป็นต้องมาวัดพร้อมกับกิ๊กคู่ใจทิ้งกิ๊กเอาไว้ให้อยู่ใต้ศาลาตัวเองก้าวขึ้นบนศาลาด้วยความมั่นใจพบหลวงตาก็ก้มลงกราบหลวงตามองดูเพื่อนด้วยสายตาแหลมคมพร้อมทั้งกล่าวว่าเลิกเจนนะเลิกเสียเขาได้ยินไม่ถนัดเอยียงหน้าเขาใกล้หลวงตาอีกนิดไหนครับ ถามหลวงตาเพื่อความแน่ใจว่าเมื่อกี้เนี่ยหลวงตาพูดถึงใครหลวงตากล่าวขึ้นเหมือนเดิมเลิกเสียเลิกเส็นนะใจหล่นลงถึงตะตุ่มหน้าซีดเหมือนไก่ต้มเหงื่อแตกท่วมตัวกราบลงตรงหน้าหลวงตาแล้วรีบลงจากศาลาเพื่อมาหากิกสาวใต้ศาลาโดยมีผมตามลงมาติดๆพร้อมทั้งกล่าวกับเธอว่าเราเห็นจะต้องเลิกกันละหลวงตารู้แล้วละ่ะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อนผมเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอพระผู้มีแต่ให้พูดถึงธรรมสาริกา ที่นั่นมีรูปหล่อหลวงปู่มั่นอยู่หลวงตาไปดูแล้วบอกว่าเหมือนมากท่านไปกราบเสมอสมัยก่อนมีต้นไม้ใหญ่อยู่มากมายแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วพระบานขึ้นไปอยู่แทนไม่ใช่พระกรรมฐานและสมัยก่อนมีถ้าเล็กๆอยู่ถ้าหนึ่งลึกมากแต่ตอนเนี้ยถูกเอาปูนโบกทับไปหมดแล้วและเอาพระพุทธรูปมาตั้งหน้าถ้าท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาลิงมันคุยกันท่านจะนั่งกําหนดจิต ด, ดู และท่านก็รู้แปลาภาษาลิงได้ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นปัจจุบันนี้ท่านก็ยังไปที่ถ้ำสาริกาอยู่บ่อยๆเมตตาเอาเงินเอาของใช้เข้าวสารอาหารแห้งไปแจกครอบครัวของพวกอนุ ร, รักษ์สัตว์ป่าด้วยความสงสารพวกเขาแต่และครอบครัวจะได้เงิน1000บาทท่านเรียกการให้ทานเหล่านี้ว่าการสงเคราะห์โลก เพื่อนร่วมสายบุญสายธรรมผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเสียใช้เป็นเจ้าของโรงงานผ้าขนหนูคุณใช้ได้เข้ามาอยู่ในช่วงที่ผมเป็นคนถือกระป๋องเดินตามหลวงตาในตอนนั้นเขามีเงินติดตัวมาอยู่สามหมื่นบาทและภรรยากําลังท้องแก่ก็พากันมาใส่บาทท่านผมก็ชวนเข้ามาถือกระป๋องด้วยและผมได้สอนเขา อยากจะทําอะไรเมื่อท่านให้พรก็ให้ขอเอาอย่างเดียวตั้งใจขอไว้อย่างเดียวนะจนท่านให้พรจบเขาบอกเขาอยากจะทําโรงงานผ้าขนหนูและเขาก็ขออย่างเดียวคือขอทําโรงงานผ้าขนหนูเมื่อเขาได้ตั้งใจขอพอรไปแล้วเขาก็ได้ทําโรงงานผ้าขนหนูจริงๆเขาไปกู้เงินมาทําโรงงานได้ในวันแรกที่เขาผลิตผ้าขนหนูผมรีบบอกเขาเลยว่าใช้อย่าเอาไปขายนะ ผลิตได้เท่าไรเอาไปถวายให้หลวงปู่ก่อนเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากความเชื่อที่เขามีอยู่แล้วเขาจึงนำผ้าขนหนูทั้งหมดมาถวายหลวงตาที่วัดด้วยผมไปกราบเรียนท่านนับจากวันนั้นมาเขาเป็นถึงเสียใช้ชีวิตเริ่มดีขึ้นมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นแม้เขายุคเศรษฐกิจเริ่มแย่แต่เสียใช้ก็รวยอย่างเดียวเลยเพราะสินค้าที่เขาได้ซื้อมาสตอกไว้ก่อน กลายเป็นต้นทุนที่ถูกมากในสมัยนั้นและเขาก็เอาสินค้าพวกนั้นมาขายได้ในราคาสูงกว่าต้นทุนมากฉะนั้นเสียใช้จะทุ่มเทรับใช้หลวงตาเต็มที่นับเป็นอนิสงผลบุญของเสียใช้เองส่วนคุณเหลียงคนควบคุมเครื่องเสียงให้หลวงตาเมื่อมาวัดใหม่ๆที่บ้านไม่ค่อยชอบหงุดหงิดมากบนคุณเหลียงอยู่ทุกๆวันจนคุณหลิงราคาญจึงได้วางแผน เตรียมการเรื่องเครื่องเสียงทุกอย่างไว้ให้และบอกว่าจะไม่มาอีกแล้วสอนให้ผมดูแลคุมเครื่องเสียงแทนพอหลวงตาลงมาเทศท่านาเทศให้เฉพาะคุณเหลียงฟังคุณเหลียงจึงสำนึกได้รีบมาสารภาพกับผมว่าหลวงตาท่านเทศให้ผมโดยเฉพาะเลยจากวันนั้นมาคุณเหลียงก็ทำหน้าที่นี้เหมือนเดิมส่วนภรรยาของเขาได้หายป่วยโดยท่านอาจารย์ไทย ได้ให้ผมเด็ดใบฝรั่งไปให้ภรรยาเขากินวันละเจ็ดใบกินทุกวันทุกวันจนครบเจ็ดวันจึงหายภรรยาคุณเหลียงจึงเกิดความศรัทธาวัดมากขึ้นทุ่มเทเต็มที่ไปทําบุญและซื้อทองถวายหลวงตาอย่างต่อเนื่องและคุณเหลียงก็มาวัดอย่างสบายใจอาจารย์ธนิษฐสีกลิ่นดีมาทางสายคุณเหลียงและสายท่านอาจารย์ไทยไม่ได้มาทางสายผมโดยตรง ท่านก็มีความประทับใจคลุกคลีสนิทสนมกันมาจนคุณหลวงก็ได้กราบเรียนให้หลวงตารู้จักปัจจุบันเขาได้ดูแลงานเพลงอัดเทปแต่งเพลงช่วยชาติถวายให้กับหลวงตาเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ในวัดสัตว์ดุร้ายกลายเป็นเชื่อง มีวันหนึ่งหลวงตาสั่งผมว่าเราจะไปสุพรรณซึ่งบ้านหลังที่จะไปนี้พี่หวัดเขาจะรู้ทางดีแต่ผมไม่รู้เป็นทางเข้าไปในทุ่งนาเส้นทางคดเคี้ยวลำบากมากท่านจะไปเพื่อปรดชายคนนี้เพราะเขากาลังมีปัญหาชีวิตมากพอถึงที่หมายพี่หวัดก็รออยู่บนรถท่านก็ลงเดินผมก็เดินตามหลังท่านไปมีหมาอยู่ตัวหนึ่งดุมากจะกัดหลวงตา ผมจึงถือไม้จะไล่มันท่านบอกว่าเฉยๆและท่านมองมันปรากฏว่าหมาตัวนี้มันยืนนิ่งมองตาเฉยเลยและท่านก็เดินผ่านมันไปผมจึงเดินติดท่านกลัวหมาจะมากัดเมื่อถึงบ้านแล้วท่านส่งเสียงเรียกชายคนนี้ก็รีบออกมาพร้อมกับพูดว่าท่านอาจารย์มาได้ยังไงครับหมาไม่กัดหมาของผมมันดุมากครับ ผมก็ถอยออกมาข้างนอกเพื่อให้หลวงตากับชายคนนี้ได้พูดคุยกันพอคุยกันเสร็จผมก็เข้าไปรับท่านและได้เห็นว่าชายคนนี้ก้มลงกราบที่เท้าหลวงตาพร้อมกับพูดว่าผมได้ท่านอาจารย์ช่วยชีวิตถ้าอาจารย์ไม่มาผมคงตายแน่และท่านก็กลับสวนแสงธรรมไม่ได้ไปที่ไหนต่อท่านมาโปรดชายคนนี้โดยเฉพาะชายคนนี้อายุประมาณ 60- ถึงเจปีอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียว เรื่องนี้ทำให้ผมทราบว่าไม่สัมผัสไม่รู้เพราะผมได้รู้ได้เห็นกับตาตัวเองในวัดมีงูจงอางชื่อไอคีดื อ, อยู่ตัวหนึ่งวันหนึ่งมันหายไปท่านก็ถามว่ามันหายไปไหนเพราะปกติมันจะอยู่แถวกุฏิท่านตลอดมีคนเห็นมันเลื้อยออกไปนอกวัดพอชาวบ้านเห็นเข้าก็ฆ่ามัน เราะไม่รู้ว่าเป็นงูวัดท่านจึงบอกว่าเห็นไหมสัตว์อยู่ในวัดก็ปลอดภัยอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนถ้าออกไปนอกวัดก็ตายเหมือนกับงูขี้ดื้อได้ได้สติเพราะเสียงเทศคืนวันที่16กกุมภาพันธ์พศส5 5 1 เวลาตีสอาการเจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายของผมได้เกิดกำเริบหนักขึ้นมากตอนผมนอนอยู่ขณะนั้นผมได้เปิดแอร์ไว้ที่20องศาแต่ผมเหงื่อออกมากหายใจไม่ออกจะเป็นลมผมจึงรีบหาวิทยุมาเปิดฟังคลื่น FM 103.25 ของหลวงปู่ทันทีเพราะคลื่นนี้จะเปิดเทปคำสอนของท่านทั้งคืนผมจึงพอมีสติ ข, ขึ้นมาฟังท่านเทศสอนว่าถ้าเรากลัวตาย มันจะไปกระตุ้นให้เราตายเร็วจริงๆถ้าไม่กลัวตายมีสติการตายมันฆ่าเราไม่ได้ผมรู้สึกเวียนหัวมากจึงเดินออกมานอกห้องถือวิทยุออกมาด้วยเพื่อฟังเทศของท่านนั่งฟังนิ่งๆปรากฏว่าใจเริ่มชุ่มชื่นขึ้นมาระดับหนึ่งทำให้หายใจเขาได้เต็มที่แล้วรู้สึกลงขึ้นมาทันทีจนหายเป็นปกติถ้าตอนนั้นผมไม่ได้ฟังเทศของท่านผมคงต้องตายแน่ ท่านสอนผมให้มีสติพอผมหายดีแล้วเวลาประมาณตีสี่ผมก็เข้าห้องพระทันทีเพื่อสวดมนต์ผมทราบซึ้งในคำสอนของท่านที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนผมจึงเคารพนับถือท่านและขอยึดท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์จนวาระสุดท้าย บทความโดยชานรงค์แดงกูลเสียงอ่านโดยโจโฉพระมหาบัวลูกไหววันทาพระมหาบัวลูคขอสัญญาจะมีพุธทธเป็นหนึ่งกับลมหายใจ ก้าวตามเดินต่อในเส้นทางมรคคาจนลอยพ้นหยุดเวียนวนอยู่เนื้อทาราหนอบนอมภาวนาบูชาพระมหาบัวแวกว่ายเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนื้อน้ำ